วันนี้เป็นวันเสาร์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันหยุดการทำงานของสัตธาญาชมพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านจึงได้ใช้วันหยุดนี้มาวัด เพื่อมาสร้างมาสะสมทรัพสมบัติภายในกันตลอดระยะเวลาห้าวันที่ผ่านมาที่เป็นเป็นวันทำงานทำการสัตยาญาณโยงก็ต้องไปหาทรัพสมบัติภายนอกกันเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่กันอย่างสุขสบาย มีความสุขแต่ทรัพสมบัติภายนอกนี้เป็นทรัพสมบัติคู่กับร่างกายพอร่างกายตายไปใจที่ไม่ได้ตายกับร่างกายก็ไม่สามารถที่จะเอาทรัพสมบัติภายนอกที่เป็นทรัพสมบัติคู่กับร่างกายนี้ติดตัวไปได้ ใจจึงต้องมาวัดกันในวันหยุดทำงานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อมาสร้างทรัพย์สมบัติภายในกันเพราะว่าทรัพย์สมบัติภายในนี้เป็นทรัพย์สมบัติคู่กับจิตใจไม่ได้คู่กับร่างกายร่างกายตายไปทรัพย์สมบัติที่คู่กับจิตใจ ก็จะไปกับจิตใจต่อไปเดี๋ยวเราเรียกว่าทรัพย์สมบัติภายในภายในใจนี้เองเป็นทรัพย์สมบัติที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้ทรัพย์สมบัติภายนอกทรัพย์สมบัติคู่กับร่างกายนี้เราเอาไปไม่ได้พอเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็ เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็าตามทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่หามาได้นั้นจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับใจเลยหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เรา เดินทางไปต่างประเทศกันเราจะไม่เอาเงินสกุลบาทไปกันเพราะเรารู้ว่าเอาไปใช้ยากหรือใช้ไม่ได้กันเรามักจะต้องแปลงสกุลเงินบาทให้เป็นสกุลเงินที่ของประเทศที่เราจะไปเพราะว่าประเทศที่เราไปนั้นเขาใช้เงินต่างสกุลกันไม่สะดวก ที่จะอากสกุลของเราไปใช้ที่นั่นเพราะว่าจะต้องหาที่แรกเปลี่ยนซึ่งอาจจะไม่มีทั่วไปดีก็เช่นเดียวกันเงินภายนอกทรัพย์ภายนอกหรือสมบัติภายนอกนี้เราไม่สามารถเอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้เลยโลกทิพย์ก็คือโลกที่ใจยอยู่นี้เองใจของเราอยู่ในโลกทิพย์ แล้วจะต้องใช้สมบัติทิพย์เป็นเครื่องอยู่อาศัยเป็นเครื่องให้ความสุขความสบายถ้าเราไม่สร้างทรัพย์สมบัติภายในกันเวลาเราตายไปเราก็จะไปอยู่แบบขอทานหรือถ้าเราไปสร้างนี่สร้างนี่สินภายใน เราก็จะต้องไปชดใช้หนี้ศินภายในดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องมาคอยสร้างทรัพย์ภายในกันนะพยายามลดระงับการสร้างหนี้ศินกันเพราะว่าการสร้างหนี้ศินภายในนี้มันจะทําให้เราต้องไปใช้หนี้สินกันต่อไป ถ้าเราไม่มีนี้สินเราก็จะไม่ต้องไปใช้หนี้สินเราก็จะมีแต่ทรัพย์มีสมบัติภายในติดตัวไปสมบัติภายในนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นกับพวกเราทุกคนเพราะว่าพวกเรานี้เป็นจิตใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือ ที่จิตใจใช้ในการแสวงหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ร่างกายนี้เป็นของที่มีอายุไขคือไม่ได้อยู่ไปตลอดเหมือนกับจิตใจจิตใจนี้ไม่มีอายุไขจิตใจนี้ไม่มีวันตาย แต่ร่างกายนี้มีวันตายอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งก็ตายกันไปตายช้าบ้างตายเร็วบ้างแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยบางคนเกิดมาอยู่ได้ไม่นานก็ตายไปบางคนอยู่ไปได้นานอาจจะอยู่ได้ถึงร้อยปีซึ่งเป็นส่วนน้อยมาก อัตราของผู้ที่ตายที่อัตราเฉลี่ยนี้อยู่ประมาณอายุเจ็ดสิบหรือแปดสิบปีไม่มีใครจะอยู่เกินนั้นไปเป็นส่วนใหญ่แต่ใจที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจขณะที่ไม่มีร่างกายใจก็ต้องท่องอยู่ในโลกทิพ ถ้ามีทรัพย์สมบัติภายในใจก็จะท่องอยู่ในโลกทิพย์ด้วยความสุขด้วยความสบายเป็นเหมือนกับเศรษฐีที่มีเงินติดตัวไปอยู่ต่างแดนพวกเศรษฐีเศรษฐีต่างๆเวลาเขาไปอยู่ต่างแดนนี้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายกันเพราะเขามีทรัพย์สมบัติเงินทอง ที่เขาสามารถเอาติดตัวไปกับเขาได้เขาจึงไม่เดือดร้อนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดของเขาก็ตามฉันใดใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นในวันข้างหน้านี้เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วนี้ใจเราจะต้องอาศัยทรัพย์ภายในหรือสมบัติภายในกัน พระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้หมั่นมาสร้างมาสร้างมาสมทรัพย์หรือสมบัติภายในกันให้มากและพยายามลดนีิศินต่างๆภายในด้วยนีิศินเราก็สร้างกันได้ทรัพย์สมบัติเราก็สร้างกันได้อยู่ที่เรา รู้หรือไม่ว่าอะไรเป็นการสร้างนี้สินอะไรเป็นการสร้างสมบัติถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสารลกเราจะอาจจะไม่รู้เรื่องของทรัพสมบัติหรือนี้สินภายในกันเราก็อาจจะทำอะไรไปตามความต้องการของเรา โดยที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังสร้างนิสินภายในกันหรือสร้างสมบัติภายในกันหรืออาจจะไม่ได้สร้างสมบัติหรือนิสินเลยก็ได้เพราะการกระทาของเรานี้ก็มีแบ่งไว้สามสามรูปแบบด้วยกันการกระทำรูปแบบหนึ่งคือการสร้างสมบัติภายในเรียกว่าการทำบุญเย การกระทำชนิดที่สองที่เรียกว่าเป็นการสร้างนิศินภายในก็คือการทำบาปต่างๆนี่และการกระทำชนิดที่สามคือการกระทำที่ไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นการสร้างนิศินหรือไม่ได้เป็นการสร้างสมบัติภายในการกระทำที่ไม่ใช่เป็นบุญเป็นบาปนี้เป็นอย่างไร ก็คือการกระทําอะไรที่เราทําเพื่อตัวเราเองเช่นทํามาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าการทํามาหากินของเราไม่ไปทําผิดศีลห้าก็ไม่เป็นการกระทําบาปแต่ก็ไม่ได้เป็นการกระทําบุญเพราะว่าการกระทําบุญนี้จะต้องทํา ให้ผู้อื่นเขาเกิดความสุขเกิดประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการกระทาของเราเราถึงจะเรียกว่าเป็นการทาบุญเป็นการสร้างทรัพย์สมบัติภายในแต่ถ้า ร, าระหว่างที่เราทำมาหากินนี้เราหาทำมาหากินโดยวิธีไม่ถูกต้องวิธีที่ผิดศีลผิดธรรมด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือด้วยการลักทรัพย์ ด้วยการโกหกหลอกลวงหรือถ้าเราต้องการหาความสุขเราก็หาความสุขโดยความประพฤติผิดประเพณีถ้าเราทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบาปเป็นการสร้างหนี้สินภายในให้กับใจของเราที่เราจะต้องไปชดใช้ต่อไปแต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีหนี้มีสินไม่ต้องการไปชดใช้หนี้ศิน ไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์เนี่ยเราก็ต้องทรมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริญสัมม า, าชีวะรมอาชีพที่ไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ช่อโกงคอร์รัปชันไม่ได้เกี่ยวกับการโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้ทรัพย์จากผู้อื่นมา หรือถ้าเราต้องการหาความสุขทางการารมณ์เราก็ต้องไม่ประพฤติผิดประเพณีเราต้องมีคู่ครองของเราเองเป็นสามีเป็นภรรยากันซื่อสัตย์ต่อกันรักกันอยู่ด้วยกันหาความสุขร่วมกันเพียงสองคนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลภายนอกถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่สามนี่ เรียกว่าเป็นการประพฤติผิดประเพณีเป็นการสร้างนี่ให้กับจิตใจที่จะต้องไปใช้นี่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธมาศึกษามาเรียนรู้ว่าทรัพย์ภายในนี้มีกี่ชนิดด้วยกันและจะสร้างทรัพย์ภายในแต่ละชนิดนี้ ได้อย่างไรทรัพย์ภายในหรือสมบัติภายในนี้ก็มีหลายชนิดเหมือนกับธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ก็มีหลายชนิดเรามีธนธนบัตรใบละ 20, บยี่สิบใบละห้าสิบใบละร้อยใบละห้าร้อยและใบละหนึ่งพันบาทอันนี้ก็เป็นสมบัติภายนอกเป็นธนบัตร ราคาต่างๆฉันใดสมบัติภายในนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันมีคุณค่าราคาสูงต่ำไม่เท่ากันถ้าเราต้องการคุณถ้าต้องการทรัพย์ภายในที่มีคุณค่าราคาสูงเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มาก เพราะการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆเหล่านี้แหละจะเป็นการที่จะทำให้เราสร้างทรัพย์หรือสร้าง ส, างสมบัติภายในให้กับเราและถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องไปใช้นี่ไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์เราก็ต้องไม่กระทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณี ไม่พูดปดและก็ไม่เสกอบายมุขเช่นสลายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกังคืนเกียดติพานและคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นนิสนี่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้เราเป็นสร้างนี่สินกันภายในเพราะว่านี่สินภายในนี้ต้องใช้ ไม่จำเป็นจะต้องมีตำรวจมาจาับเราไปลงโทษไม่จำเป็นจะต้องมีขึ้นลงขึ้นศาลให้ศาลตัดสินว่าผิดด้วยถิกถ้าทําผิดห้าข้อสี่ข้อนี้ห้าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีกหกหลอกลวงนี้โทษมันเกิดขึ้นทันทีภายในใจและมันก็จะพาให้ใจ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วต้องไปรับโทษต่อไปแต่ถ้าไม่ทําบาปเลยหรือทําบาปนี้ให้น้อยกว่าบุญที่เราทํานี้บาปก็ยังจะไม่สามารถแสดงผลได้คือต้องรอลงอายาไปก่อนรอไปจนกว่าบุญที่เราทํานี้มันน้อยกว่าบาปเมื่อ น, นั้นโทษ ก็ถึงจะตามมาได้ดังนั้นพวกเราต้องรู้จักวิธีสร้างทรัพย์สมบัติและวิธีไม่สร้างนี่ให้กับจิตใจสมบัติระดับแรกที่พูุ้ทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างหรือรักษากันก็มนุษย์ยสมบัตินี่สมบัติที่พวกเรามีกันในขณะนี้ เพราะเรามีร่างกายเป็นมนุษย์ตอนที่เรามาเกิดเนี่ยร่างกายเร า, เราจิตของเรานี้อยู่ในระดับของมนุษย์แต่พอเราเริ่มเติบโตขึ้นมานี้เราก็จะเริ่มมีการกระทำบุญบ้างทำบาบ้างทำการกระทำที่ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปบ้างเราอาจจะทำไปโดยความไม่รู้ตัวก็ได้ เราอาจจะทำไปตามสรญชาติยานหรือทำตามจริตนิสัยของเราก็ได้เพราะว่าในอดีตชาตินี้ถ้าเราเคยทำอะไรมานี้มันก็จะติดตัวเรามาด้วยมันจะเป็นจริตนิสัยของเราถ้าเราเคยทำบุญมามากเราก็จะมาทำบุญมากถ้าเราทำบาปน้อยเราก็จะทำบาปน้อย ถ้าเราทำบาปมากทำบุญน้อยเราก็จะมาทำบาปมากทำบุญน้อยต่อไปพอเราเริ่มมีการกระทำทั้งสองอย่างทำทั้งบุญและทำทั้งบาปใจของเรานี้ก็จะกลายเป็นทั้งส่วนที่เป็นบาปและส่วนที่เป็นบุญอยู่ที่ว่าส่วนไหนมีกำลังมากกว่ากัน ใจของเราก็จะเริ่มกลายจากมนุษย์ไปถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญใจของเราก็จะเริ่มกลายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเ ป, าเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างแต่ถ้าเราทำบุญไว้ให้มากกว่าทำบาปใจของเราก็จะได้ สมบัติที่สูงกว่าการเป็นมนุษย์ก็คือได้เทวสมบัติได้เป็นเทพกันเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วสมบัติขั้นต่ำที่สุดที่เราควรจะรักษาไว้ก็คือมนุษยสมบัติด้วยการรักษาศีลห้าพยายามรักษาศี่ห้าให้เป็นปกติเป็นนิสัยเป็นนิจศินอย่าทำบาปเลย ซึ่งอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่เรายังมีโอกาสที่จะเพ่งพรมในบางโอกาสบางเวลาที่เกิดลูกแกโทสะลูกแกโลภะลูกแก่โมหะก็าา จ, จะยับยั้งจิตใจไม่ให้ไปกระทำบาป ก, กันแต่เราก็ต้องมีวิธีป้องกัน วิธีทำบุญให้มากกว่าทำบาปก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะคอยกันไม่ให้บาปนี้ส่งผลกับจิตใจของเราก่อนนะดั <Yeah. S 1> งนั้นสิ่งแรกที่เราควรที่จะทากันก็คือควรจะรักษาสมบัติที่เรามีอยู่ในตอนนี้ก็คือมนุษย์สิสมบัติสมบัติของความเป็นมนุษย์ มนุสยสมบัติแลืคุณสมบัติของมนุษย์ก็คือนี่แหละผู้ที่มีศีลห้านี้ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์ผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดและไม่เสพอบายามุขต่างๆถ้าเราทาทำได้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษาสี่ห้าได้ใจของเรานี้จะเสื่อมจากความเป็นมนุษย์ตามลำดับของการกระทำบาปของเราไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนถึงค่อยไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรูแลกายรือเป็นนรกใจของเรานี้สามารถเป็นสภาพต่างๆได้ในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ ดังที่มีคําสอนที่ทรงตัดไว้ว่าถึงแม้จะมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจก็อาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้หรือใจอาจจะเป็นเปรตก็ได้ใจอาจจะเป็นอสูรลกายก็ได้ใจอาจจะอยู่ในนรกก็ได้ก็<ม>อยู่ว่าได้กระทําบาปหรือไม่มและบาปนี้มีกําลังมากกว่าบุญหรือไม่ ถ้าทำบาปและมีกำลังมากกว่าบุญเช่นถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นโทษเป็นบาปทำไปเพราะคิดว่าเพื่ออยู่รอดเช่นทำมาหากินด้วยวิชีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ถึงแม้ไม่ผิดกฎหมายทางบ้านเมืองแต่ผิดกฎแห่งกรรมผู้ที่ทำบาปด้วยความหลงนี่ ถึงแม้จะมีร่างกายของมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ได้กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วยกเว้นว่าถ้าเขาพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆเขาก็ยังมีบุญมาคอยกันมาต้านผลของบาปไม่ให้สแสดงผลได้เช่นชาวบ้านชาวประมงนี้เขาก็มีการทำบุญใส่บาตรทุกวัน นีการทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆบุญประเพณีต่างๆการที่เขาได้ทำบุญถึงแม้ว่าเขามีอาชีพค่าสัตว์ตัดชีวิตเขาต้องไปจับปลาจับอะไรมาขายเนขาก็เป็นได้สองอย่างเป็นได้ทั้งเทพและเป็นได้ทั้งเดรัจฉานขึ้นอยู่ว่าเขา ทำสิ่งไหนมากกว่ากันถ้าเขาทำบุญมากกว่าบาปที่เขาทำเขาก็จะเป็นเทพก่อนแต่ถ้าเขาทำบาปมากกว่าทำบุญเขาก็จะเริ่มไปเป็นเดาชะฉานแล้วถ้าทำบาปด้วยความโลภได้พอหากินพออยู่พอกินแล้วไม่พออยากจะหาได้มากๆเขาอยาย ก, กิจการให้มากขึ้นฆ่าสัตว์ให้มากขึ้น อันนี้ก็จะกลายเป็นเปรตไปจิตใจเป็นเปรตแต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่คนที่โลภมากแล้วหาเงินหาทองหาทรัพย์ด้วยวิธีผิดศีลผิดธรรมชอโกงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะให้ร่ำให้รวยจากการกระทำบาปนี้ถือว่าเป็นพวกเปรต แล้วอีกพวกหนึ่งนี้ที่เป็นเรียกพวกอสูรกายนี้คือพวกที่ทำบาปด้วยความหวาดกลัวหวาดกลัวว่าจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำร้ายตน mm. ก็ไปทำร้ายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนอันนี้ก็จะทำให้ดวงวิญญาณหรือจิตใจนี้เป็นอสุรกายทาั้งๆที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว แล้วพวกที่สีน่นี้พวกที่ทําบาปด้วยความอาฆาตพราิบาทมีความโกรธเกลียดมีความโหดร้ายทารุณพวกนี้เขาเรียกว่าใจเป็นนรกร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้เขาเรียกว่าเป็นสัตว์นรกเนี่ยเวลาที่เราได้ยินข่าวข่าวถึงคนที่ทำทารุณกรรมโหดร้ายกับผู้ ผ, ผู้ร่วมโลกมนุษย์ด้วยกันบุงคนบางคนนี้มีความโหดร้ายทารุณทำร้ายผู้อื่นได้ด้วยความเครียดแค้นอย่างแต่ใครทำให้ไม่พอใจก็ ล, ลุกขึ้นมาตบตีเขาฆ่าฟันเขาก็มีพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกที่มีร่างกายของมนุษย์แต่ใจนี้เป็นเป็นสัตว์นรกไป อันนี้ไม่ต้องมีใครมารอตัดสินมาชี้ความบอกว่าเป็นอะไรโกฎแห่งกรรมมันเป็นผลตามการกระทํากระทําอย่างไรผลมันก็จะเป็นอย่างนั้นทันทีไม่ต้องมีใครมาตัดสินว่าเป็นเดชะนหรือเป็นเปรหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นอะไรเป็นเทพเป็นอะไรนี่มันไม่ต้องมีใครตัดสินโกฎแห่งกรรมนี้มันเป็นของ อัตโนมัติเหมือนกับล อ, อยเกวียนนี่ลอยเกวียนมันตามล้อเกวียนไปล้อเกวียนหมุนไปตรงไหนลอยเกวียนมันก็จะตามไปตามล้อไปอผลของการกระทำบาปมันก็จะทำให้จิตใจนี้ไปเป็นสัตว์ที่อยู่ในอบายสี่ชนิดด้วยกันเป็นเดราชานเพราะทำบาด้วยความหลง เป็นเบต เ, เพราะทำบาปด้วยความโลภเป็นอสุรกายเพราะทำบาปด้วยความกลัวเป็นสัตว์นรกเพราะทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเกลียดชังโกรธเกลียดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนชาวพุทธเราให้พยายามหีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้เสียเพื่อรักษามนุษย์ทยาสมบัติของเราเอาไว้ ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเลยลไม่ได้ทำบุญเลยสมมติถ้าเราตายไปวันนี้ใจเรายังเป็นมนุษย์อยู่เราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ จ, จะไม่ได้ไปเกิดบนสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นเทพแต่ใจเราก็จะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เลยอันนี้คือสมบัติชิ้นที่หนึ่งซับสมบัติภายในชิ้นที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นชิ้นที่ขั้นต่ำที่สุด ได้ความสุขน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียกบกับสมบัติภายในชนิดอื่นแล้วการเป็นมนุษย์นี้ได้ความสุขน้อยที่สุดได้ความสุขแบบห้าสิบห้าสิบความสุขห้าสิบความทุกห้าสิบแต่ถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่าความทุกนี้ก็ต้องยกระดับหรือสร้างทรัพย์สร้างสมบัติภายใน ให้มีเพิ่มมากขึ้นการสร้างสมบัติภายในให้มีมากขึ้นจากมนุษยสมบัติก็คือการทาบุญทำทานชนิดต่างๆนี้เองการทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีมากกว่าที่เราจะใช้ได้เก็บไว้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร ตายไปก็เอาไปไม่ได้เราทรัพย์สมบัติส่วนนี้ทรัพย์ภายนอกอันนี้มาแปลงเป็นทรัพย์ภายในได้เหมือนกับถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปอยู่ต่างประเทศนี้เรามีเงินบาทมากน้อยเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนไปแลกเป็นสกุลของของประเทศที่เราจะไปอยู่เราจะได้ใช้เงินทองเวลาที่เราไปอยู่ประเทศนั้นได้อย่าง สะดวกสบายแล่เวลาเราตายไปนี่สมบัติที่อยู่ในโลกนี้ต่อให้มีเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเอาไปไม่ได้เลยไม่ได้เป็นประโยชน์เลยแต่ถ้าเอามาแปลงเป็นทรัพย์ภายในเป็นสมบัติภายในด้วยการทำบุญทำทานต่างๆอันนี้จะทำให้เรามีสมบัติ ติดตัวไปกับเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วขณะที่อยู่เราก็มีความสุขจากการได้ทาบุญทาทานการทาบุญทาทานนี้ส่งผลตั้งแต่เวลาที่เราทําเลยไม่ได้ต้องมารอให้ร่างกายตายไปแล้วมันถึงจะส่งผลให้กับใจของเราเวลาเราทำบุญทาทานแต่ละครั้งนี้เราเริ่มยกระดับ ใจของเราจากมนุษย์ให้เป็นเทพนะและระดับเทพนี้ก็มีอยู่หกระดับด้วยกันมีขึ้นอยู่กับการทำบุญทำทานของเราว่าทำมากทำน้อยถ้าทำมากเราก็จะเป็นเทพขั้นสูงขึ้นไปตามลาดับยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นยิ่งมีความทุกข์น้อยลง จากมนุษย์นี้เรามีความสุขห้าสิบห้าสิบหมีสุขห้าสิบมีทุกข์ห้าสิบพอเราได้ขั้นเทพขั้นที่หนึ่งเราก็จะได้60สิสี่สนะได้ความสุข6กสได้ความทุกข์สีบขั้นที่สองเราก็จะได้ความสุขเจนะความทุกขนะ์ยี่สิบสสิบความทุกข์จะน้อยลงไปจากการทําบุญทําทานของเรานะเราทำมากเท่าไหร่ ความสุขใจสมบัติที่อยู่มีภายในใจก็จะมีมากขึ้นแล้วก็จะมีกำลังที่จะต้านนิสินที่เราไปสร้างไว้ไม่ให้มันแสดงผลได้มากขึ้นตามลำดับเราจึงมีเทพอยู่หกระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับการทำบุญทำทานของเราการเสียสละของเรา ว่าเราเสียสละมากน้อยเพียงไรการเสียสละของของการของการทําบุญทําทานเพื่อให้ระดับเทพระดับต่างๆนี้ก็วัดอยู่ที่ปริมาณทรัพย์ของเราสัดส่วนของทรัพย์ของเราถ้ามีสวรรค์หกชั้นด้วยกันแล้วถ้าเราสละทรัพย์หนึ่งในหกของเราไปให้กับการทําบุญ เราก็จะได้ขั้นที่หนึ่งถ้าเราสละทรัพย์สมบัติสองในหของเราที่มีอยู่เช่นถ้าเรามีหกแสนเราทําบุญแสนหนึ่งเราก็ได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถ้าเราทําบุญสองแสนเราก็ได้ชั้นที่สองถ้าเราทําบุญหกแสนเลยมีหกแสนก็บอยจากหมดเลยไม่เก็บไว้เลยไปบวชไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็จะได้ สวรรค์ระดับชั้นที่หเลยเพราะเราทําเต็มร0อยมีสมบัติเท่าไหร่มีหส่วนแล้วก็ทําทั้งหส่วนเลยอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆเป็นตัวอย่างเดางนั้นให้ญาติโยมจะได้เห็นภาพว่าทำไมสวรรค์ถึงต้องมีหลายชั้นด้วยกันเพราะว่าความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานมันก็ได้มากได้น้อยต่างกันสังเกตดูเวลาที่เราทาบุญ ถ้าเราทำบุญน้อยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขใจอิ่มใจเหมือนกับเวลาที่เราทำบุญมากเวลาที่เราทำบุญมากแล้วเราจะรู้สึกสุขใจอิ่มใจอย่าไปหลงผิดไปคิดว่าบุญชนิดนั้นกับชนิดนี้มีมากน้อยต่างกันเช่นบางคนคิดว่าทำบุญทอดกระถินนี่จะได้บุญมากกว่าทำบุญทอดผ้าป่าหรือทำบุญใส่บาตรหรือทำบุญถวายสังฆทาน อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะบุญมากบุญน้อย น, นี่มันอยู่ที่จำนวนทรัพย์ของเราที่เราเสียสละไปไม่ว่าจะเป็นบุญชนิดไหนก็ตามสมมติว่าถ้าเราทำบุญกระถินหมื่นหนึ่งเราไปทำบุญพระป่าแสนหนึ่งนี่ ย, ย่างไนจะได้บุญมากกว่ากันมันก็ต้องจากการทำบุญมากเป็น ถ้าเราทำมากเราก็จะได้มากไม่ได้อยู่ที่บุญชนิดไหนอยงั้นอย่าเข้าใจผิดเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจหลักของการทำบุญที่ถูกตั้งว่าเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เรื่องของการทำบุญทาทานเป็นการสร้างทรัพย์สมบัติให้กับใจเพื่อที่เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วใจจะได้อยู่อย่างสุขสบาย อยู่ในระดับต่างๆอยู่สวรรค์6ระดับด้วยกันก็เหมือนกับไปอยู่โรงแรมโรงแรมต่างๆโรงแรมก็มีแบ่งเป็นดาวๆห้องอาหารร้านอาหารก็มีแบ่งเป็นดาวอาหารดาวหนึ่งดาวสองร้านอาหารนี่มีสองดาวร้านนี้มีสามดาวโรงแรมนี้มีสี่ดาวมีห้าดาวทำไมต้องมีดาวมากน้อยต่างกันเพราะการบริการการให้ความสุขกับผู้ที่ไปใช้บริการนี้ มีมากน้อยต่างกันนั่นเองแต่ก็ต้องจ่ายเงินมากน้อยต่างกันเช่นเดียวกันอยากจะไปอยู่โรงแรมที่มีดาวสูงค่าค่าค่าพักก็แพงขึ้นเพราะว่าค่าบริการมันมีมากขึ้นเราก็ต้องคิดค่าพักให้มากขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของการสร้างสมบัติภายในระดับของเทพนี้เราก็ต้องอยู่ที่การ การจ่ายของเราการทำบุญของเราว่าเราทำมากหรือทำน้อยอันนี้เราต้องดูที่สัดส่วนเงินทองของเรานะั้นเราไม่ไปเราไม่ไปวัดกับเงินทองของคนอื่นเพราะคนสองคนสมมติว่าทาทาบุญเท่าปริมาณเงินเท่ากันคนหนึ่งทําอื่นหนึ่งคนหนึ่งอีกคนก็ทํหอื่นอย่างนี้อาจจะได้บุญไม่เท่ากันเพราะว่าคนที่ทํบุ บุญหมื่นหนึ่งสองคนนี้อาจจะมีทรัพย์สมบัติไม่เท่ากันคนนึงมีทรัพย์อยู่แสนหนึ่งอีกคนนึงมีทรัพย์อยู่ล้านหนึ่งแต่ทาบุญหนึ่งหนึ่งหมื่นเท่ากันนี่แต่บุญที่ได้กลับไม่เท่ากันเพราะว่าสัดส่วนที่ทำนี่ต่างกันคนที่มีแสนหนึ่งนี้ทํหมื่นหนึ่งนี่เท่ากับทาไปร้อยละสิบเสียไปสิบระสิบเปอร์เซนต แต่คนที่มีร้านนึ่งนี่ทำบุญหมื่นหนึ่ง น, นีง่เท่ากับทาแค่ร้อยละหนึ่งทำเองเพราะความรู้สึกมันต่างกันคนที่มีเงินล้านทาบุญหมื่นหนึ่งรู้สึกเฉยเฉยไม่ค่อยกระเทือนมากเหมือนกับคนที่มีเงินหนึ่งแสนแล้วแบ่งไปหนึ่งหมืน่นรู้สึกว่าจะทำมากกว่าจะมีความสุขใจอิ่มใจมากกว่าอันนี้คือเรื่องของการทำบุญซึ่งจะทำให้เราคนที่มีเงินน้อยนี่ไม่ต้องเสียใจนะ เพราะว่าบางทีเราไปอมองจำนวนเงินว่าอคนนั้นเขาทำแสนเขาทำสองแสนทำล้านหนึ่งเราทำได้แค่ร้อยสองร้อยหรือห้าร้อยเราคงจะไม่มีวาสนาได้บุญมากเท่ากับเขามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราทำร้อยหนึ่งแต่เรามีเงินแค่พันเดียวนี่เราก็ถือว่าเราทำไปร้อยละสิบละคนที่มีแสนหนึ่งนี่เขาต้องทำมากกว่าเราเขาถึงจะได้บุญเท่ากับเรา เหตุการจริงเป็นคนจนนี้ได้เปรียบกว่าในเรื่องการทําบุญนะไม่ต้องใช้เงินมากเท่ากับคนที่มีเงินคนรวยคนรวยนี่ต้องใช้เงินมากกว่าถึงจะได้ความรู้สึกที่อิ่มที่สุขเท่ากับคนที่เป็นคนจนที่ใช้เงินน้อยกว่านะงั้นขอให้เราเข้าใจหลักของการทําบุญแบบนี้แล้วเราจะได้ไม่ควยเขวเราจะไม่รู้สึกท้อแท้ว่าโอ้ยเราไม่มีโอกาสได้ทําบุญเหมือนเขาเราเพราะเราไม่มีเงิน แสนเงินล้านเรามีแค่หมืสองหมื่นเราจะเอาเงินไปทำบุญทั้งหมดก็ไม่ไหวเราต้องเก็บไว้กินบ้างทำได้แค่ค่า0้อยสองร้อพันสองพจะไปทาแบบเขาเป็นแสนก็ทำไม่ได้อันนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกันนะแต่ละคนนี้เงินที่ตนเองทำนี้ได้บุญมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการเสียไปเนะี เราสิมีเงินเท่าไรเราเสียเป็นเปอร์เซนต์ไปคิดเป็นเปอร์เซนต์ไปเน่ยเราก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเราเราเสียเปรียบถ้าเราเป็นคนจนเราสามารถขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นหได้ทุกคนก็เราต้องสละเงินทั้งหมดที่เรามีอยู่อย่างเช่นพวกคนที่ไปบวชกันนี้เขามีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองอะไรเขาก็ยกให้คนอื่นไปหมด อันนี้เขาก็จะได้สวรรค์ชั้นหกเลยขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดเพราะเขาไม่ไม่อาศัยเงินทองเป็นวิธีหาเงินหาความสุขนะเขาจะไปหาความสุขอีกระดับหนึ่งคือระดับของพรหมเทความสุขของเทพนี้สู้ความสุขของพรหมไม่ได้แต่การความความสุขของพรหมนี้ต้องไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหามาจะต้องใช้การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่า สมถภาวนาหรือการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเข้าฌานขั้นต่างๆให้ได้นั่นเองอันนี้เรียกว่าเป็นพรหมสมบัติพรหมสมบัตินี้ก็มีแบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับรูปประรมและระดับระดับอรูปป ร, รมและแต่ในระดับของพรหมนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นชั้นๆเหมือนกันอาตมา จ, จําไม่ได้แล้วว่ามีกี่ชั้นบ้าง ถ้าอยากจะรู้ก็สามารถไปศึกษาจากพระไตรปิฎกได้หรือค้นหาในในมือในมือถือก็ได้กดคาเขียนคําข้อความว่าฌานสมบัติหรือพรหมสมบัตินี้เดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองให้เรารู้ว่ารูปประภมนี้มีกี่ชั้นอารูปประภมนี้มีกี่ชั้นแต่ทั้งสองระดับนี้ต้องเกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิ และเกิดจากการรักษาศีลเพิ่มจากศีลห้านี้ก็ต้องมาถึงศีลแปดกันอย่างเช่นศรัทธาญาติโยมที่มานุ่งขาวห่มขาวในวัดนี้ในพวกนี้มุ่งไปที่พรหมสมบัติมุ่งไปที่สมบัติที่ได้จากการเจริญสตินั่งสมาธิถ้าใจสงบเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ใจก็จะเริ่มได้ ได้สัมผัสกับพรหมสมบัติได้ความสุขระดับพรหมที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขระดับเทพความสุขระดับเทพระดับมนุษย์นี่เป็นความสุขที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผู้ถวะชนิดต่างๆที่เราเรียกว่ากามาสุขกามาสุขนี้เกิดจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสกิน่น รูปเสียงกลิ่นรสแม้โผฏฐะเป็นอารมณ์เวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่ถูก อ, อกถูกใจก็เกิดความสุขกันขึ้นมาของมนุษย์เหล่านี้เราก็เสบรูปเสียงกลิ่นรสอยากของเทพเขาใช้รูปทิพย์เสียงทิพย์กันเขาเสบรูปทิพย์เสียงทิพย์เพราะเขาไม่มีร่างกายเหมือนกับมนุษย์ ขณะที่เรามีร่างกายนี้เราก็เสบรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายแต่พอเราไม่มีร่างกายนี้เราก็เสบรูปเสียงกลิ่นทิพรูปเสียงกลิ่นรสและผดทะพระที่เป็นชนิดทิพย์ก็คือชนิดที่ไม่ต้องใช้ร่างกายชนิดนี้เป็นอย่างไรก็เราให้เรานึกถึงตอนที่เวลาที่เรานอนหลับกันตอนที่เวลาเรานอนหลับนี่ก็เหมือนเราตายชั่วคราว เพราะตอนที่เรานอนหลับนี้ร่างกายไม่ทำงานตาหูจมูกลิ้นการนี้ไม่สามารถไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ใจมาเสพได้พอร่างกายไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพได้ใจก็อาศัยบุญที่ทำไว้นี่แหละเป็นผู้ที่มาสร้างรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะชนิดทิพให้ได้เสกกันด้วยการมาในรูปแบบของความฝันต่าง เวลาที่เราฝันดีนีแสดงว่าเรากําลังเสพเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่เราได้จากการทำบุญทำทาน อ, อันนี้คือเวลาที่เราไม่มีร่างกายมันจะเป็นอย่างนี้เวลาที่เรานอนหลับนี้เป็นแบบตายชั่วคราวตายไม่นานแค่หมังมากก็แดชั่วโมงเราก็กลับเข้ามาที่ร่างกายใหม่ พอร่างกายตื่นกิจก็กลับมาใช้ร่างกายมาหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาเสกใหม่แต่ตอนที่ร่างกายพักผ่อนไม่ทํางานนี่ใจก็ต้องไปพึ่งบุญที่ได้ทำเอาไว้บุญก็จะมาให้ลูกเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของความฝันดีต่างๆฝันได้ฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นี่ได้ไปกินไปดื่มที่นั่นที่นี่ ได้ไปดูไปชมได้ไปสัมผัสกับคนนั้นคนนี้ที่เป็นคนดีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วฝันดีอันนี้แหละคือลักษณะของของผู้ที่ทําบุญแล้เวลาตายไปจะอยู่ในภาวะของความฝันที่มีแต่ความฝันดีในทางตรงกันข้ามพวกที่ฝันร้ายก็คือพวกที่ทําบาปกันนั่นเองเวลาที่ร่างกายไม่มีก็อาศัย สิ่งที่ได้สะสมไว้ถ้าสะสมบาปไว้บาปมันก็จะเป็นตัวแสดงผลเราก็จะได้ฝันแต่เรื่องร้า ย, ายเรื่องที่ไม่ดีต่างๆเรื่องที่หวาดเสียวน่ากลัวว่าเรื่องที่ทุกข์ทรมานใจในรูปแบบต่างๆกันอันนี้คือลักษณะเวลาที่ใจของเรานี้อยู่ในโลกทิพย์เวลาที่ไม่มีร่างกายต้องอาศัยบุญเมื่ออาศัยบาปบาปเราไม่ต้องการเพราะบาปมันมีแต่เรื่องโหด เรื่องแต่โหดล้ายทารุนเรื่องแต่ทุกข์ยากลำบาก<ม>วาดเสียหวตัวเราจึงอย่าไปทำบาปกันพยายามทำบุญให้มันมีกำลังมากกว่าบาปเวลาที่ร่างกายไม่มีเวลาที่ร่างกายหลับมันจะได้ให้เราฝันดีกันอันนี้เป็นความสุขระดับของของเทพของมนุษย์มนุษย์กับเทพนี่เขาเรียกว่าอยู่ในกามาภพ พบที่ยังเสพกามอยู่ผู้ที่ยังเสพกามอยู่คือเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผภพะต่างๆเป็นความสุขให้ความสุขแต่สาหรับผู้ที่ต้องการที่จะเสพความสุขที่ดีกว่าที่ละเอียดกว่าที่มีน้ําหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามก็ต้องไปเสพความสุขระดับพรมกันระดับรูปฌปานระดับอรูปฌาน วิธีที่จะสามารถเข้าสู่ระดับรูปฌานหะรูปฌานได้ก็คือต้องต้องไปถือศีลอยู่ตามที่สงบตามวัดวาที่มีการปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญสติแล้วก็มีการถือศีลแปดกันเพราะการถือศีลแปดนี้เป็นการหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนั่นเอง สิข้อตั้งแต่ข้อหกขึ้นไปนี้เป็นการยับยั้งไม่ให้ใจไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดเพราะว่าถ้าต้องการจะเสพความสุขที่เหนือกว่ารูปเสียงกลิ่นลดก็ต้องหยุดเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้จะเอาทั้งความสุขจากสมาธิแล้วเอาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดไปพร้อมๆกันนี้ทาไม่ได้ต้องแยกต้องเลือกเอาจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ายัางอยากจะได้การมาสุขอยู่ก็ต้องอยู่สวรรค์ชั้นเทพถ้าอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบอันนี้ก็ต้องเลือกถือศีลแปดไปอยู่แบบนักบวชกันจะอยู่ได้นานหรือไม่นานนี้ก็แล้วแต่กำลังของแต่ละคนอยู่ได้นานโอกาสที่จะได้ความสุขนี้ก็มากขึ้น อยู่ได้ไม่นานก็โอกาสที่จะได้ความสุขก็น้อยลงไปเพราะมันต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้แต่เบื้องต้นก็อาจจะไปแบบไปไ ป, ไปชิมรางก่อนก็ได้เห็นก็ว่าไปบวชแล้ดีไปถือศีลไปถือศีลแปดบวชเนคขมะไปฝึกสมาธิฝึกสติช่วยยับยั้งความเครียดความทุกข์ต่างๆได้ ญาติโยมส่วนใหญ่ที่เ้าวัดกันก็เพราะว่ามีความทุกข์ใจกันไม่รู้จกวิธีแก้ความทุกข์ใจได้อย่างไรก็เลยหันมาพึ่งวัดกันวิธีที่เราจะดับความทุกข์ทางใจก็คือนี่แหละเราต้องออกจากรูปเสียงกดลิ่นรสกันอย่าไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องรูปเสียงกดลดิ่นรสเพราะความทุกข์ของเรานี้ก็เกิดจากรูปเสียงกดลิ่นรสที่เราผิดหวังนั่นเองรูปเสียงกดลิ่นรสที่เคยให้ความสุขกับเรา พอเขาเปลี่ยนไปพอเขาจากเราไปมันก็ทำให้เราเศร้าทำให้เราทุกข์ขึ้นมาและวิธีที่เราจะแก้ก็คือเราต้องเลิกไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพยายามทำใจให้สงบให้ได้ด้วยการมาบวชเร่คำมะกันตามวัดต่างๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีธรรมเนียมให้ญาติโยมไปถือศีลแปดกันถือศีลแปดแล้วก็ไปฝึกสติ แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอันี่เป็นขั้นตอนของการยกระดับจิตใจหรือสร้างทรัพย์สร้างสมบัติภายในให้ให้ในระดับที่สูงขึ้นก็คือให้สร้างระดับของพรหมพรมสมบัติจากมนุษย์สมบัติก็ไปสู่เทเทวสมบัติจากเทวสมบัติก็ไปสู่ระดับพรหมสมบัติพรมสมบัติก็เกิดจากการได้ถือศีลแปด ศินข้อสก็ต้องเปลี่ยนจากกาเมแปลเป็นอ布拉มจริยากาเมนี้ยังอนุญาตให้เสกกามได้อยู่แต่อ布拉มจริยานี้ไม่เสกกามกับใครแล้วถือศีลของพรหมพรมอาจารย์พรหมไม่เสกไม่หาความสุขจากกรรมนั่นเองเขาเลยเรียกว่าพรหมอาจารย์ศีลข้อสาแล้วก็มาเพิ่มศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8ศีลข้อ6ก็คือไม่ให้ หาความสุขจากการกินการดื่มมากเกินไปให้กินดื่มเพื่อรักษาร่างกายให้เหมือนกับกินยากินดื่มแค่วันละครั้งสองครั้งไม่ให้เกินเที่ยงวันก็พออยู่ได้น่่งกายไม่ตายไม่ใช่ให้ให้กินให้ดื่มได้ตลอดระยะเวลาทั้งวันทั้งคืนอันนี้ยังถือว่าเป็นการเสกกามอยู่ต้องเลิกเสกกามจากการดื่มการกินด้วยการ ไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ไม่เสพการจากรูปเสียงกินดนตรด้านบันเทิงต่างๆมมหอรส บ, บันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงร้งองนทาทําเพลงเต้นแร็งเต้นกาอะไรต่าง ๆ, ๆ, างๆอ่า น, นี้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็แต่งตัวด้วยเครื่องเครื่องหอมเครื่องอะไรเสื้อผ้าที่สวยงามอะไรต่างๆอ่า น, นี้ต้องอละเว้นไปเพราะเป็นการเสพการเสพ ทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายนุ่งขาวห่มขาวอย่างนี้ไม่ต้องใช้เครื่องสำอางอาบน้ำล้างหน้าให้สะอาดก็พอหวีผ้าหวีผมก็พอไม่ต้องใส่น้ามันน้าหอมไม่ต้องไปทํเผ้าทําผมอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการละ ก, การเสพการถ้าอยากจะอยากจะไปเสพความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ต้องละ ก, การเสพการ แล้วการนอนก็ไม่ให้นอนมากเกินไปด้วยการไม่ให้นอนบนเตียงที่สัมลานเตียงที่สุขที่สบายเวลานอนที่เตียงที่สุขสบายมันอยากจะนอนมากๆเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อเลยต้องให้นอนบนพื้นแข็งๆพื้นแล้วก็ปู ด, ด้วยผ้าหรือเสื่อก็ได้อันนี้จะนอนไม่มาก พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันเจ็บหลังมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมามาฝึกสมาธิมาเดินจงกรมนั่งสมาธิแทนนี่เป็นอุบายของการที่จะทำให้เราสามารถเข้าหาความสุขระดับพรหมได้เข้าหาหาสมบัติระดับพรหมได้จะเข้าได้ต้องมีสติคือเรา ว่าถ้าเราถือสินแตกได้เราก็จะมีเวลาว่างเยอะเพราะไม่มีอะไรให้ทําแล้วเลยดูหนังก็ไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่ได้กินขนมก็ไม่ได้ดื่มนู่นดื่มนี่ก็ไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้ให้ยากอยู่กันเพื่อที่จะได้มาเจริญสติกันนั่นเองสตินี้ต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องทําอะไรเนีเพราะว่าต้องการหยุดความคิดการเจริญสตินี้เพื่อให้หยุดคิดเพราะเวลานั่งสมาธิใจจะนิ่งได้ต้องหยุดคิดให้ได้ ถ้าใจหยุดคิดได้นิ่งได้ใจก็จะเข้าสู่ฌานท่านต่างๆได้เข้าสู่สมบัติของพรหมได้นนี้เป็นวิธีการที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องการพรห ม, มสมบัตินี้จำเป็นจะต้องปฏิบัติกันก็คือละเว้นการเสพกามเรียกว่าเป็นการบวชในขมะนั่นเองใน ข, ขมะคือการออกจากกามาสุขการไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการนีเรียกว่า เนคขมมะตอนจริงที่เรามาบวชกันนี้เขาไ ม, ม่เรียกว่าบวชชีพราหมณ์กันแ ต, แต่ก็คล้ายคลึกันว่าชีพราหมณ์ก็หมายถึงพรหมนี่เองมาบวชเพื่อเป็นพรหมกันแต่ความจริงเรียกว่าบวชเนคขมมะบวชเพื่อที่จะออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อที่มาฝึกสติมาเจริญสมาธิกันถ้าเราอยู่คนเดียวไม่คุกเทีกันไม่คุยกัน พบปะ ก, กันเฉพาะช่วงที่ต้องมาทำกิจวัตรร่วมกันเช่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมหรือรับประทานอาหารเวลาอื่นเราก็แยกตัวไปหัดเดินจงกรมคอยควบคุมความคิดอย่าให้ใจคิดถึงอดีตถึงอนาคตให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าใช้การเจริญสติด้วยการบริกรรมคําคำพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้ เพราะเราถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุทโธอยู่เราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือถ้าเราจะบังคับให้ใจเฝ้าดูการกระทำของร่างกายก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกำลังหวีผมกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารทำอะไรก็ให้ใจเฝ้าอยู่กับการกระทาของร่างกายไม่ให้ใจเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้ อันนี้คือการจเจริญสติเป้าหมายก็คือให้หยุดความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อ<ส>ที่เวลาที่เรามานั่งสมาธิใจจะได้สงบได้ถ้าไม่ฝึกสติมาก่อนพอมานั่งสมาธิจะรู้สึกว่าใจฟุ้งซ่านคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนั่งยังไงก็ไม่มีวันที่จะสงบได้จะสงบได้นี่ต้องฝึกสติมาก่อนฝึกให้มากๆจนสามารถครวบคุมความคิดไม่ให้คิด มากจนเกินไปได้เมื่อถึงเวลานั้นเวลามานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวก็ได้หรือบริกรรมพุทโธทพุทโธทอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาสองอย่างมาปนกันก็ได้ดูลมก็หายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโธอย่างนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความพอใจเหมือนอาหารมีอาหารหลายชนิดด้วยกันกินเข้าไปมันก็ทําให้อิ่มเหมือนกัน การฝึกสมาธินี่มีหลากหลายวิธีแต่ก็เป็นเหมือนอาหารชนิดต่างๆพอกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็อีกท้องขึ้นมาเองงั้นเราสามารถเลือกได้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเขาบอกเขาทาแบบนี้เราไม่จําเป็นจะต้องทําตามเขาก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดแบบที่เขาทำถ้าเขาบอกพูดธข้าวพุออกดีเขาบอกสำหรับเราอาจจะเอาพุดธโธอย่างเดียวไม่ดูลมก็ได้หรือบางคนก็ไม่ชอบพุดธโธอยากจะดูลมเฉยๆก็ดูลมเฉยๆอย่างเดียวก็ได้น อันนี้เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ในเรื่องที่จะต้องผู้ปฏิบัติจะต้องทดลองดูเอาว่ามันแบบไหนเหมาะกับเราเหมือนกับเวลาที่เราซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าเนี่ยแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกั น, บ า, นก บ, กบางคนก็ชอบกางเกงบางคนก็ชอบกระโปรงมันกันแล้วแต่ความชอบแต่ไม่ก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันมีไว้เพื่อใสสวมใสการเจริญสติเพื่อให้ใจสงบก็เหมือนกัน กรรมาฐานหรืออารมณ์ที่เราจะใช้กับกับใจ่ายก็สามารถเลือกได้บางคนชอบดูลมก็ดูลมไปบางคนชอบพุโทโธก็พุโทโธไปบางคนชอบทั้งลมทั้งพุโทโธก็รวมกันก็ได้บางคนก็ชอบดูอาการสาสบสองก็มีนั่งไปแล้วก็นึกถึงชื่อของอาการส2สองผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปอย่างนี้ก็ได้เพื่อรังับความคิดปรุงแต่งไม่ให้มันคิดนั่นเอง ถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วไม่ช้าก็เร็วใจเราก็จะนิ่งพอนิ่งแล้วเราก็ได้ฌานขึ้นมาได้ความสุขได้ความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขระดับเทพระดับมนุษย์โทธเจ้าบอกนัตติสันติปรังสุขขังสุขเอินที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีอันนี้ถ้าเราได้ความสงบแล้วเนี่ยถ้าเราตายไปเราก็จะไปเป็นพรหมกันถ้าได้ได้ความสงบระดับรูประพรหม เราลูก ป, ประชานเราก็จะได้ไปเป็นรูก ป, ประพรมถ้าได้ความสงบระดับอรูปประชานเราก็จะได้เป็นเอารูปประชานอันนี้เป็นพรหมสมบัติแต่พรหมสมบัติของพรหมนี้ก็ยังมีสมบัติที่ดีกว่าพรหมสมบัติอยู่อี ก, อ, กอันนึงเรียกว่าอริยสมบัตินยอันนี้สมบัติที่จะทําให้ความสุขความสงบที่เราได้นี้เป็นของเราตลอดเวลาไม่มีวันเสือ่อม ความสุขหรือสมบัติที่เราได้จากพรหมสมบัติหรือจากเทวสมบัติจากมนุษยสมบัตินี้มันยังเสื่อมได้มันยังหมดได้แต่ถ้าเราอยากจะไม่ให้มันเสื่อมพอเราได้พรหมสมบัติแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนพรหมสมบัติให้เป็นอริยสมบัติต่อไปด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงเช่นร่างกายของเรา ร่างกายของคนอื่นว่าเป็นตายลักไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อปล่อยวางเพื่อไม่ให้ไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราว่ามันเป็นเพียงสภาวะทำอย่างหนึ่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของมันทำมาจากดินน้ำลมไฟวันหนึ่งมันก็ต้องกลับกึืนสู่ดินน้ำลมไฟไปอันนี้ก็คือการแปลง หรือเพิ่มสมบัติจากพรหมสมบัติให้เป็นอริยสมบัติด้วยการพิจารณาสภาวธรรมต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกคือลาบยศสารเสริญสุขก็ไม่เที่ยงภายในก็คือร่างกายหรือเวทนาหรืออารมณ์ที่มีอยู่ในใจของเราอันนี้ก็เป็นอตายรักษณ์ไม่เที่ยงเหมือนกันพิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางให้ทั้งหมดไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอาศัยเขามาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเกะ ถ้าไปอาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงมให้ความสุขกับเราเพอเขาเปลี่ยนไปหรือหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักเราก็จะได้ปลงเปะล่อยวางได้อยู่แบบไม่มีอะไรอยู่กับความว่างเพลงอย่างเดียวก็พอเมื่อเราทบได้ถึงขั้นนั้นเราก็ได้อริยสมบัติสมบูรณ์ได้เป็นพระอาหารหันต์กันได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติที่ถาวร ที่ไม่มีวันเสื่อมต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่ได้นิพพานเรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ต่อไปอีกอนนี้คือเรื่องสมบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนําเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับพวกเราที่พวกเราผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญของจิตใจจําเป็นที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติตามให้ได้ ถ้าศึกษาตามที่ได้แสดงไว้คือละการกระทำบาปก็ป้องกันไม่ให้เสือ่อมเสียจากมนุษยสมบัติแล้วถ้าทำบุญทําทานได้ก็จะยกระดับให้เป็นเทวสมบัติแล้วถ้าไปฝึกสมาธิถือศีลแปดได้ก็จะได้พรหมสมบัติแล้วถ้าจเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ปล่อยได้โปร่งได้วางได้ไม่ยึดไม่ติดไม่ถืออะไรก็จะได้พระนิพพานเป็นสมบัติต่อไปอ น, นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวารวาหาปุราปริกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกัปติ อิชิตังปะทิตางตุมหังคิดเปเมวัสมิจโตสัพเพปุเรนโตสัง a ปาจันโทปนาระโสยธาณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจันโตสัพพะรุโควินัสตุ มาเตภวตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะภิวาธนสีลิสานิจางวุฒาปจายโนจตารุธรมาวัฏติอายุวโนสุขังภลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกกันแล้วจะไม่สะดวกที่จะคุยกันอีกนั้นถ้าอยากจะคุยจะถามอะไรนี้เป็นช่วงนี้ช่วงที่ดีที่สุดเพราะหลังจากเลิกแล้เดี๋ยวต้องมีการเก็บข้าวเก็บของทำอะไรเงินจะไม่สะดวกถ้าอยากจะถามก็เข้ามาถามหนึ่งไม่อยากจะเข้ามาเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาผ่านทางเพจทางยูทู e ก็ได้แล้วทางทีมงานจะเอาม า, าให้ฟังวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้ผู้ติดตามจาก Facebook พระอาจารย์451ท่าน YouTube พระสุชาติไล like ์276ท่าน YouTube ดกรวี131ท่านวิทยุออนไลน์8คลับ h o า s e 12ผู้รับฟังหน้ากุติ106รวมทั้งหมด984ท่านเจ้าค่ okay. จะจ็เชิญถามได้นะถ้าใครอยากจะถามอะไรอ่าเข้ามาแล้วทุกท่านเข้ามา อขอกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่ากุศลกรรมของพันผู้หลุษเราอะครับถ้าทําอกุศลกรรมทําไว้เนี่ยเราลูกหลานจะได้รับผลกรรมไหมครับ<ม>เพราะเห็นเพราะเห็นมี ม, ม, มีบางท่านกล่าวอ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องว่ากรร ม, มะพันธุกมีกรร ม, มะเป็นเผ่าพันเราเป็นกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมบรรดาไว้ดีหรือเชื่อเราต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้น กรรมครกรรมมันที่เป็นพันหมายถึงว่ากรรมนี้เป็นผู้ทำให้เราเป็นพันดีหรือพันชั่วถ้าเราทำดีเราก็จะได้พันดีเป็นคนดีถ้าเราทำชั่วเราก็จะได้เป็นคนชั่วเพราะกรรมเป็นผู้ทำให้เราดีหรือชั่วเผ่าพัานอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่บิดามารดาพ่อแม่พ่อแม่ท่านอาจจะเป็นคนดีแต่เราอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้ไม่เกี่ยวกัน ขางใครของมันนะเข้าใจผิดกันไปแปลความหมายผิดจริงครับใช่ถูกคําถามสครับเฮาค่ะจากคุณขวัญด้วยไทยนะมัสการเจ้าค่ะสวดมนต์บ่อยช่วงนี้เวลาพอเวลาปกติชอบนึกถึงบทสวดต้องทํำยังไงเจ้าคะพ็สวดไปก่อนก็ได้ถ้านึกถึงบทสวดก็สวดไปเป็นกว่าจะรู้สึกเหนื่อยแล้วมันก็หยุดเองแล้วก็ข้นมาดูลมหายใจต่อ คำถามจาก YouTube ดกรวีค่ะกลับเรียนถามครับการนำไข่ไปทำอาหารผิดศีลหรือเปล่าครับก็แล้วแต่ว่าไข่น้ยมันฟักได้หรือเปล่าถ้าไข่มันฟักยังมีตัวอยู่ก็เท่ากับเป็นการฆ่าเหมือน ก, การทำการทาแท้งนี้ค่ะคำถามจาก YouTube ดกรวีค่ะคุณเขมัจุธาทำไมเวลานั่งสมาธิบางทีเห็นเป็นสีเขียวค่ะ อ๋อเป็นเรื่องปกติของแต่ละคนเวลานั่งแล้วมักจะมีอะไรปรากฏให้เห็นก็ไม่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับลมหายใจและอยู่กับพุโทโธที่เราใช้เป็นเครื่องกล่องใจเราอย่าไปสนใจกับอย่างอื่นที่ปรากฏขึ้นมามีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นได้แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะจากคุณมาริสาฟังทำไปด้วยท่องพุโทโธไปด้วยได้หรือไม่ครับ ไม่ควรหรอกเพราะว่ามันจะชนกันถ้าจะฟังธรรมก็ฟังธรรมอย่างเดียวถ้าจะพุโทโธก็ไม่นอกฟังธรรมตอนนี้คำถามหมดแล้วค่ ะ, ะแต่เพราะว่าการฟังธรรมนี้เป็นอารมณ์อยู่แล้วไม่ต้องใช้พุโทโธมากํากับอีกทีนึงมันจะชนกันถ้าเราคอยพุโทโธพุโทโธเราก็จะฟังธรรมไม่รู้เรื่องอถ้าเราอยากจะฟังธรรมเพื่อให้รู้เรื่องและให้สงบเราก็ตั้งใจฟังอยู่กับธรรมที่เราฟังอยู่ ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมฟัง น, นั้นเราอาจจะต้องใช้พุโทโธพุธโทโธเพราะถ้าเราไม่มีอะไรมาคอยกํากับใจเราเดย๋ยวใจเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็ต้องอาศัยการใช้พุโทโธพุธโทโธมาระงับความคิดต่างๆในเวลานั่งสมาธิก็ใช้วิธีนั่งได้หลายรูปแบบสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งสาหรับการฝึก เ, เรื่องต้นถ้าดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อน เลยถ้าสวดมนต์ไม่ไดนะ้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เปิดธรรมะขึ้นมาฟังใช้ธรรมนี้เป็นอารมณ์กล่อมใจก็ได้แต่จะไม่สงบเต็มที่นะจะทําให้ความคิดเบาบางลงพอเรานั่งฟังเรารู้สึกใจเราเบาสบายขึ้นก็หยุดฟังแล้วก็มาดูลมหายใจต่อถ้าดูลมหายใจหรือดูกับพุธโทยอย่างเดียวได้นะี่จะทําให้จิตเข้าลึกในสมาธิเข้าลึกกว่าสงบมากกว่า มีคําถามมาใหม่หรืยังจากยูทูบด็อกเตอร์วคีค่ะคุณพินแก้วค่ะกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนถามหากเรามีหัวหน้าที่อายุน้อยบางครั้งดูเด็กใช้ทําเรื่องส่วนตัวบ่อยบางครั้งดูไม่เหมาะสมจะมีวิธีรับมือกับหัวหน้าลักษณะอย่างนี้อย่างไรเจ้าคะเออเราก็ต้องยอมรับกับสมมุติให้เขา เขามีกันในโลกนี้บางคนเขามียศมีตำแหน่งสูงกว่าเราแต่อายุเขาน้อยกว่าเราเราอย่าไปดูที่อายุเขาต้องดูตัวไหนที่เป็นตัวตัวตัวชีวัดในในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาถ้าเขามีตำแหน่งสูงกว่าเราเราเป็นลูกน้องเขาเราก็ต้องเคารพเขาเชื่อฟังเขาถ้าจะร่วม ง, งานกันอยู่ด้วยกันได้สุข อย่าไปดูที่อายุอย่ถ้าเราคิดว่าเราทำงานกับคนแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องหางานใหม่ทำคำถามจากคุณสุมนาค่ะกราบเรียนถามค่ะมีญาตินอนป่วยอยู่โรงพยาบาลจะสวดมนต์ให้หายป่วยจะต้องสวดบทใดคะไม่หายหรืถ้าหายก็ไม่ต้องไปหาหมอให้เสียเวลาบท mm hmm. สวดมนต์ทำให้ใจหายเครียดทำให้ใจหายทุกข์ได้ พอเวลาสวดแล้วก็จะเริืมเรื่องอ า, าการเจ็บไข้ได้ป่วยหยุดความอยากให้หายได้ความความเครียดนี่มันเกิดจากการอยากให้โรคไข้ไข้เจ็บมันหายพอมันไม่หายมันก็เครียดเราก็ให้การสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิไปพอใจสงบหายเครียดแต่โรคไม่หายนะนอกจากว่าถ้าโรคมันเกิดจากความไม่สงบของใจมันก็หายได้บังโรคนี่มันเกิดจากความเครียดเกิดจากใจคิดฟุ้งซ่าน แล้วก็เลยไปกระทบกับร่างกายการทํางานของร่างกายทําให้ร่างกายป่วยได้อย่างนี้ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดนี้ส่วนนวลทำใจให้สงบได้โรคที่เกิดจากความเครียดนี้ก็หายได้นั่นกันแต่ไม่ได้หายทุกโรคหายทุกโรคพระพุทธเจ้าก็ต้องรักษาตัวเองได้ไม่ต้องตายพระพุทธเจ้าเอางว่ายังต้องเจ็บไข้ได้ป่ว ย, ยงต้องตายไป ค่ะคำถามจากคุณแองเจลทิฟาค่ะกราบในมันส ก, การพระอาจารย์ค่ะเมื่อเราทำสังฆทานและต้องการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ร่วงลับจำเป็นต้องเขียนชื่อเพื่อทำบางสกุลหรือไม่คะแล้วขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าบางสกุลค่ะคือการอุทิศบุญนี้ไม่จาเป็นต้องเขียนชื่อแต่เราต้องระลึกในใจเราไม่ต้องกดนะ้าไม่ต้องมีนะ้าไม่ต้องเขียนกระดาษ แล้วเอากระดาษนั้นไปเผาอะไรไม่ต้อไม่ต้องทําพิธีเหล่านั้นการอุทิศบุญที่ถูกต้องระลึกภายในใจเราพอเราทําบุญเสร็จแล้วอย่างเมื่อกี้นิยมทําบุญเสร็จแล้วอยากจะอุทิศให้ใครการนึกภายในใจว่าขอทิศส่วนบุญที่ได้ทําในวันนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ที่ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าท่านรอรับอยู่ก็ขอให้ท่านมารับไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าบางทีก็อาจจะมีบุญมากกว่าที่จะมาเป็นขอทานเขาก็ไม่มารอรับบุญก็ได้ ส่วนเรื่องบางสกุลนี้คําว่าบางสกุลนี้เป็นแปลว่าผ้าป่าผ้าป่าช้าความชื่อเต็มของมันคื อ, คอผ้าที่เก็บในป่าช้าจากป่าช้าก็คือผ้าหอ่อศพนี่สมัยโบราณนี้เขาไม่นิยมเผาหรือฝังมันเขาทิเกียดเนาะเขาก็เลยเอาไปทิ้งในป่าช้าให้กลายเป็นอาหารของแหล่งของกาของของสัตว์ต่างๆ เขาก็เอาเพลงแต่เอาผ้าพันร่างกายไว้เพื่อไม่ให้มันดูอุดจาดแล้วก็ปล่อยให้ทิ้งให้มันเน่าให้มันให้มันเสื่อมไปสมัยนั้นพระที่นักบวชที่บวชกันก็หาไปหาผ้าเหล่านี้มาทําเป็นผ้าจีวรมันกเป็นผ้านุ่มมงห่มเพราะไม่มีธรรมนเนียมถวายผ้ากันมีแต่ธรรมนเนียมใส่บาตรอย่างเดียวนักบวชเลยต้องไปเก็บผ้าในป่าชา้าเรียวกว่าผ้าบางสุพล ทีนี้ในสมัยปัจจุบันเราก็อยากจะเรียนแบบสมัยก่อนเราก็เลยเอาเรื่องคนตายมาเกี่ยวเวลาใครตายก็ให้ไปนิมนต์พ้าไปชักผ้าบางสกุลแต่ผ้าที่ไปชักมันไม่ได้เป็นผ้าบางสกุลมันผ้าดีถ้าเป็นผ้าบางสกุลต้องเอาผ้าที่ห่อคนตายนี้ได้ผ้าไปชักออกมาชักจากในโรงอย่างเงี้ยถึงเรียกผ้าบางสกุลที่แท้จริงแต่สมัยนี้เขาไม่นีอมใช้กันแบบนี้แล้ว ทำทำเป็นเพลงแต่รูปแบบให้มันคล้ายๆกับกับในสมัยพุทธกาลเท่นั้นเองค่ะคําถามถัดไปค่ะจากคุณขวัญฤทัยค่ะกราบนามัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เทศว่าถ้าบุญมากนอนฝันดีบาปเยอะนอนฝันร้ายแล้วถ้าเห็นถ้าฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะแล้วต้องทําอย่างไรหมายถึงเราคิดถึงเขาสิ เราคิดถึงเขาก็ฝันถึงเขาเไม่ต้องทําอะไรเพราะบางทีเป็นแค่เป็นความฝันของเราแต่นานๆที่บางโอกาสอาจจะเข้ามาเข้าฝันเราก็ได้คนที่ตายไปแล้วคิดถึงเราเขาอาจจะมาเข้าฝันมาหาเราก็ได้ถ้าจ ะ, จะรู้หรือไม่รู้นี่ต้องคุยกันได้ถ้าคุยกันได้ถึงจะรู้ว่าเขามาจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเราฝันไปแค่แวัดแล้วก็หายไปนี่นักจะเป็นความคิดของเรามากไป แต่ถ้าคุยกันได้ว่าโอ้ตอนนี้เขาอยู่สวรรค์เั้นนั้นหรืออยู่เป็นเปรต เ, เ, เป็นอะไรหิวโหยช่วยส่งอะช่วยส่งบุญมาให้เขาหน่อยถ้าอย่างนี้ตอนเชา้าเราก็ใส่บาทแล้วก็ทิศบุญมาให้กับเขาไปยังไม่มีคนทำ ค, นะคนตายไปแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมารับส่วนบุญทุกคนนะอยากที่ได้เทศ น, นี้อยู่ที่ว่าเขามีสมบัติติดตัวไปกับเขาหรือเปล่า พวกที่จะมารับได้ก็พวกเดียวคือพวกเปรตเนี่ยพวกเปรตนี้เวลาเวลาเป็นมนุษย์นี่ไม่มีไม่มีความอยากจะทําบุญเจได้เงินเพราะโลภอยากจะได้เงินความโลภนี้มันเลยทำให้ไม่อยากจะทําบุญเอาแต่หาเงินหาทองเพียงอย่างเดียวและหาด้วยวิธีกับวิธีบาปกรรมทําบาปทํากรรมพอตายไปเลยไม่มีทรัพย์ติดตัวไปไม่มีสมบัติติดตัวไป สมบัติที่หาได้ในขณะที่เป็นมนุษย์นี้ทิ้งไว้หมดเลยกลายเป็นสมบัติของคนอื่นไปของเราของตัวเองไม่มีสมบัติภายในติดตัวไปเลยพวกนี้แหละที่จะเป็นพวกที่จะมารอรับส่วนบุญฉนั้นถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้ใครเราสังเกตดูตอนที่เขาเป็นเขามีชีวิตอยู่เขาเขาาเป็นคนแบบไหนถ้าเขาเป็นคนแบบตนนีขี้เหนียวไม่อยากจะทําบุญโลภมากอยากจะได้แตงเงินหัวงเงินของทองพวกนี้เนะี่ยมีโอกาสที่จะไปเป็นเต๋ามาก แต่ถ้าเข้าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้พวกนี้เขาไม่ไปเป็นเปรตกันเขาไปเป็นเทพกันยังไม่เหนะื่อยโอเคพี่ครอยากจะถามอะไรไหมเรื่องของจิตใจนี่เป็นเรื่องของจริงนะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายอย่างที่บอกใจเราเดินทางต่อไปอยู่ในโลกทิพย อยู่อย่างสุขสบายเพราะบุญที่เราทำกันไม่ไปอยู่ในอาบายเพราะเรารักษาศีลกันพยายามอย่าทำอย่าทำบาปกันพู้เจ้าสอนลาการกระทำบากทั้งปวงทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระใจให้สะอาดด้วยการภาวนานั่งสมาธิเจริญปัญญาเพื่อที่ใจเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะอยู่ในนิพพาน ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีก็ยนได้โอเคไม่มีก็คิดว่าอางมาพอดีอเชิญเข้ามาอาบมาหลบกข้มาข้ า, า, ขางในไหนก็ได้นาะแดดร้อนกราบนมัสการเจ้าค่ะึ้นในช่วงหลังที่ผ่านมาค่ะ ทั้งโซเชียลทั้งเน็ตฟิกอย่างเงี้ยคะ่ะมันทําให้เกิดกิเลสในการที่จะใช้เวลาเสียไปกับการที่ดูหนังฟังเพลงอะเจ้าคะ่ะคือเลยจะข อ, อ, อช่วยชี้แนะคำแนะนำอะคะ่ะทําอย่างไรที่จะทําให้เรามีจิตใจเข้มแข็งละกิเลสในการดูหนังฟังเพลงให้ลดน้อยลงแล้วมาปฏิบัติธรรมให้ได้มากขึ้นนะคะเจ้าคะ่ะก็ อ, อย่าไปดูมันสิ ก็ํำนวณเวลาที่เราใช้ใช้เครื่องว่าจะใช้เวลาไหนใช้กับเหตุใช้กับสิ่งที่จำเป็นติดต่อทงธุรกิจอะไรต่างๆนั้นอย่างอื่นก็อย่าไปใช้อย่าไปดูมันต้องมีเหตุผลต้องคอยคอยห้ามใจเราถ้าไม่ได้ก็อย่าไปมีมือถือแล้วหรือมีมือถือแบบที่พูดแต่โทรศัพท์เข้าออกได้อย่างเดียวก็พออย่างนี้มันก็แก้ไม่ได้แล้ว ขนาดวัดสมัยก่อนนี่ไม่มีโซเชียลแต่มีวิทยุมีโทรศัพท์วันหลงตาท่านก็ห้ามไม่ให้มีไม่มีโทรศัพท์ไม่ให้มีไม่ให้มีโทรทัศน์ไม่ให้มีม ห, มมหมนังสือพิมพ์เข้าไปในวัด<ม>เพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับน้าตาลใกล้มดนะพอมาอยู่ใกล้มันแล้วมันเดี๋ยวก็มดก็ต้องขึ้นเห็นถ้าเราใจอ่อนนี้เราก็ต้องใช้มาตรการแบบเด็ดขาดอย่าไปมีมันเลยมีท มีมีแค่ใช้ประโยชน์ก็คือซื้อโทรศัพท์แบบไม่มีติดต่ออย่างอื่นดูเข้าโซเชียลไม่ได้อย่างี้ก็ได้ไปโทรเข้าโทรออกติดธุระติดต่อธุระได้ก็พออย่างงั้นอย่างงั้นก็สู้เขาไม่ได้หรอกเราใจเรายังอ่อนอยู่เราต้องไปฝึกสักพักหนึ่งก่อนเพืให้มีสติมีสมาธิมากขึ้นแล้วต่อไปเราค่อยกลับมาใช้ได้ว่าเรามีกำลังลเรามีวินยัยแล้วเราก็ฝึกมันได้ ช่วงนี้เราต้องยอมยอมตัดเป็นไปก่อนถ้าเราอยากจะเอาแก้ปัญหานี้ถ้าไม่ใช่นนั้นมันก็แก้มไม่จบหรอกเข้าใจหมห้ยข้าใจเจ้าค่ะมีไม้มคุณหมออามาสอบคุณขวัญด้วยไทยค่ะ เวลานั่งสมาธิแล้วมีอาการรู้สึกเฉยเฉยเหมือนไม่ได้คิดอะไรเราต้องทำอย่างไรต่อเจ้าคะหว่าไาเยเวลานั่งสมาธิแล้วมีอาการรู้สึกเฉยเฉยเหมือนไม่ได้คิดอะไรเราต้องทำอย่างไรต่อเจ้าคะก็เฉยเฉยไปเลยถ้ามันไม่ต้องทำไม่ถ้ามันไม่คิดอะไรก็เฉยเฉยไปนั่งเฉยเฉยไป ค่ะคำถามจากหน้ากุฏนะคะเราสวดมนต์ตามพระอาจารย์แล้วเราสวดผิดบาปไหมคะไม่บาปหรอกก็เป็นการว่าสติเรายังไม่ดีพอเนือความจำเราไม่ดีนั่นเงก็พยายามหัดท่องจำให้มันชัดให้มันจำให้ได้ค่ะคำถามถัดไปจากคุณสุกัญญา ปกติจะตื่นตีสี่เพื่อเตรียมอาหารไปถวายวัดต่างๆเป็นประจำช่วงหลังหัดนั่งสมาธิแต่ใจมันติดว่าต้องไปเตรียมอาหารต้องไปวัดใจไม่นิ่งไม่สงบค่ะทําอย่างไรดีคะก็ต้องจัดการเวลาให้มันถูกต้งงองทำกำหนดเวลาที่เราจะนั่งสมาธิาแล้วก็กําหนดเวลาที่เราจะไปเตรียมทําบุญทําทานถ้าสองอย่างมันขัดกันก็ตัดเรื่องการทําบุญทําทานไป เพราะว่าทำบุญนี้ได้ได้ผลประโยชน์น้อยกว่าการนั่งสมาธิถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเราก็พักการทาบุญทำทานไว้ก่อนให้ไปทุ่มเทให้กับการปฏิบัติสมาธิไปเพียงอย่างเดียวก็ได้อย่างพวกพระนักบวชนี่เขาก็ไม่ไปทาบุญทำทานนะเขาก็ไปปฏิบัติสมาธิกันก็เราต้องรู้จักแยกแยะเวลาให้ถูกต้องถ้ า, าอยากจะทาทั้งสองอย่างก็ต้องมีเวลาเช่น ตื่นตีสี่นั่งสมาธิถึงตีห้าแล้วตีห้าก็มาเตรียมทำอาหารทำข้าวกข้าวต่างๆถ้าเวลาไม่พอก็ตื่นตีสามนอนในหัหวค่ำหน่อยนอนใหนะ้หมดแล้วเหรอคะหมดแล้วถ้าคิดว่าแค่นี้ก่อนนะนะก็ so, ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ